จะช่วยตัวเองให้มีความดีหรือไม่มีความทุกเนี่ยต้องอาศัยหลักธรรมะพลังธรรมะนี่แหละทําให้เกิดพลังชีวิตเติมส่วนที่ขาดให้มันเต็มก็เพราะธรรมะนี่แหละพูดถึงเรื่องธรรมะอย่าเพิ่งง่วงนะหอนอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทุกๆคนทั้งนั้นเลยธรรมะที่ช่วยเติมพลังชีวิตนั้นคืออะไรอันดับแรกก็คือศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อมั่น มีความเชื่อมั่นถ้าใครก็ตามทําอะไรอยู่เนี่ยถ้าไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยการกระทําเนี่ยก็จะไม่ดีนะศรัทธาในความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าธรรมะเนี่ยสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ใครเชื่ออย่างนี้ไหมเรือเงินเท่านั้นที่แก้ปัญหาชีวิตได้คนมีเงินมากผูกคอตายก็มีนะคนที่มีธรรมะมากไม่ผูกคอตายหรอกมีแต่เข้อยิบ ม, มากแล้วนะเราศรัทธาว่าธรรมะเนี่ยช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ แล้วก็ศรัทธาว่าวิธีการปฏิบัติธรรมอย่างเช่นการเจริญสติเนี่ยสามารถทําให้เราพ้นทุก์ได้เป็นเครื่องมือแล้วก็เชื่อว่าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วพ้นทุกได้เนี่ยมีให้เราเห็นอยู่มีไหมตั้งแต่ผู้ได้เจ้าเป็นต้นมาใช่ไหมเพราะคุณเจ้าที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบท่านก็มีปัญหาชีวิตท่านก็มีความสุขดีสำคัญ ญ, ญันานก็คือว่าเราเองเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อมันม่นว่าเราต้องทําได้ ถ้าใครอยากจะทํางานสําเร็จต้องมีความเชื่อมั่นแบบนี้นะเราทําได้ถ้าเราทําได้เนี่ยมันมีกําลังใจมีพลังชีวิตอยู่ในจิตใจเราเราทําได้ถ้าเจออุปสรรคเจอปัญหาเราคงทําไม่ได้ไม่ไหวหรอกเราอย่างเงี้ยมันไม่มีกําลังใจจะทํางานหรอกแต่ถ้าบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเรื่องเล็กพิสูน์ตัวเองท้าทายขึ้นมาเนี่ยงานเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยนะอันเนี่ยคือความเชื่อมัน่น เราะนงการจะทำอะไรก็ตามอยากประสบผลสาเร็จต้องมีความเชื่อมัน่นอยากจะได้รับความสําเร็จต้องมีความเชื่อมั่นอยู่ในตัวเราในใจเราเชื่อมั่นอย่างเดียวได้แต่คิดเอาเนี่ยมันจะสําเร็จไหมมันต้องมีการลงมือทําร้อยรู้หมื่นรู้ก็ไม่สู้หนึ่งทอสาระอ่ำทาพูดไปเถอะแต่ทําไม่เป็นเลยนะไม่มีความหมายนะสู้ไม่ต้องพูดมากแต่ลงมือทำเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าใช่ไหม เรามีความเชื่อมั่นมีศรัทธายังไม่เพียงพอต้องลงมือทําการลงมือทำเนี่ยต้องอาศัยความเพียรต้องมีความขยันมันเพียรพอทําก๊อกแก๊กก๊อกแก๊แกเนี่เลิกแล้วนี่มันก็ไม่ได้ผลอยากจะกินน้ําพริกตำสองเป๊กโอ้พอแล้วก็ยังกินไม่ได้ต้องตํานานๆมีความเพียรในการตําน้ําพริกจะได้กินน้ําพริกอาศัยความเพียรพุทธเจ้าตัดไ ว, ว, ว้ว่าวิรนะิยณะทุกขมัดเจติ วิริยะวิริยะนะแปลว่าความเพียรบุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรใครก็ตามจะทําแล้วก็ตามถ้าไม่มีความเพียรล้วก็งานไม่สาเร็จอาศัยความเพียรความขยันนั่นเองต้องขยันต้องขายันอย่านอนเถอะเพื่อเพือต้องขายันขึ้นมาทํางานคือความขยันนั่นเองใช่ไหมต้องมีความขยันอย่างผมเองนี่นอกจากศรัทธาแล้วเนี่ย ต้องอาศัยความเพียนเพียนอะไรเพียนปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติใช้ชีวิตแบบมีความรู้สึกตัวมีประโยชน์อย่างไรสติไปคว่าความระลึกได้ผมเองนี่เคลื่อนไหวตัวเองได้น้อยมากเคลื่อนไหวเฉพาะศีรษะแล้วก็หัวไหล่นะนิ้วมือก็กระดิกไม่ได้เลยนะเคลื่อนไหวได้แค่เนี้ยลาตัวนี้ก็เคลื่อนไหวเองไม่ได้หรอก การขับถ่ายนี่ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะปัสสาวะอุจจาระนี่ไม่รู้สึกนึกจะไหลมันก็ไหลออกมาเลยกลั้นไม่อยู่อย่างพวกเรานี่พอปวดปั๊บเข้าห้องน้ําเดี๋ยวมปวดปั๊บไม่รู้สึกวันปวดด้วยมันก็จะไหลทันทีเลยแล้วแต่ละวันเนี่ยจะต้องอยู่ในอเรียบทนอนใช่เป็นส่วนมากอย่างเมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้ามาในห้องนี้ก็นอนรอเวลานอนใช่เป็นส่วนมากนอนมาแล้วก็จะนอนไป 24สี่ชั่วโมงเนี่ยนอนสักยี่สชั่วโมงไม่ใช่นอนหลับนะคือมันนั่งได้ไม่นานแล้วก็มีสองเอเยอร์คือไม่นั่งก็ต้องนอนจะนั่งจะนอนแต่ละครั้งต้องอาศัยคนอุ้มอาศัยคนช่วยเหลืออาบน้าเองก็ไม่ได้ทานข้าวเองได้ชีวิตต้องมีคนช่วยเหลือแล้วคิดดูเนี่ยนอนอยู่บนเตียงนานๆเนี่ยบางคนบอก ด, ดีสบายเลยแน่ใจไหมตื่นเช้ามาเนี่ยเรา ลงกับเตียงหรือเปล่าเรานอนอยู่ไม่ได้หรอกถ้าตื่นปั๊บมันอยากจะลงมาเลยแต่ผมลงไม่ได้นะต้องรอคนมาช่วยอึดอัดลำคาญแล้วสิ่งที่มีปัญหาคือมันจะคิดนอนคิดกลางวันก็คิดกลางคืนก็ไปฝันแล้วมันจะมีสุขอย่างไรใช่ไมความฟุ้งซ่านของจิตความอึดอัดคัดเคืองสารพัดอยา่างแต่พอเรามาเจริญสติมาใช้ชีวิตแบบรู้สึกตัว ไม่นอนคิดเปล่าๆนะนอนเคลื่อนไหวมือเล่นนอนพลิกมือข้อมพลิกมือหงายรู้สึกตัวไปอาการเคลื่อนไหวให้มีสติสติรู้ลงไปที่มือกําลังเคลื่อนไหวแทนที่จะปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยเรามารู้ที่การเคลื่อนไหวของตัวเองนะนอนพลิกมือเล่นพลิกมือเหนื่อยก็เอา้าวก็พลิบตาเล่นบ้างพลิกมือซ้ายมือขวาเนี่ยจนกระทั่งแขนนี่แข็งแรงนะ เมื่อก่อนเนี่ยเคลื่อนไหวมือได้ไม่มาก แ, แต่สายการขยันพลิกมือไปพลิกมือมาแล้วขยันรู้สึกตัวขยันเคลื่อนไหวขยันรู้สึกตัวร่างกายมันก็แข็งแรงนะแล้วสติมันก็เข้มแข็งขึ้นเดี๋ยวเนี้สามารถยกมือได้สองข้างเลยเมื่อก่อนยกได้ข้างเดียวมันแข็งแรงขึ้นอันนี้เกิดจากพลังแห่งความเพียรพอสติเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้จิตใจนี่ไม่เลื่อนลอยจิตใจไม่เลื่อนลอย ใจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยตอนเนี้อยู่กับเนื้อกับตัวไหมหรือล่องลอยไปที่บ้านแล้วไม่มีชีวิตนะคนที่นั่งอยู่ที่นี่จิตใจเลื่อนลอยเนี่ยเหมือนสรากศพสรากศพนี่ไม่มีจิตวิญญาณหรอกถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับเราไม่มีชีวิตเรากลายเป็นสรากศพไปทันทีเลยร่างการมีสติจะทําให้จิตใจเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวไปเคลื่อนไหวได้แค่นี้มันก็เมื่อยบางที่ก็นองกับพิษตาเล่นน้องกับพิษตาเล่น นอนยักคิ้วเล่นสารพัดอย่างให้สติอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้แหละใจเราก็ไม่เล่นลอยจิตมันก็ไม่ฟุง้งซ่านมันอยู่กับปัจจุบันการมีสติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละถือว่าเป็นเคล็ดลับของการมีความสุขอย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมถ้านั่งฟังธรรมดานะจิตใจจะเป็นปกติจะมีความสุขแต่ถ้าคิดปรุงแต่งไปเรื่องอื่นแล้วก็นอกโรงพยาบาลท่าวงเ่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวมีปัญหามันอยากจะกลับมันคิดถึงบ้านนั่นจะไม่มีความสุขนะ แต่ถ้าอยู่กับเนื่อกับตัวอยู่กับการฟังแล้วก็เดี๋ยวจิตใจมันจะเป็นปีติมันจะมีความสุขพวกเองก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละนอนอยู่บนเตียงก็ไม่นอนเปล่านอนปฏิบัติธรรมเจริญสติกินข้าวบนเตียงก็รู้สึกตัวพลิกตัวไปก็มีสติดื่มน้ําทานข้าวขับทายทุกอย่างอยู่บนเตียงเนี่ยมีสติตัวนั้นน่ะใจมันก็ไม่ฟุ้งซ่านมันก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเน่ยเพียงพลังสติเนี่ย ทำให้เรามีความรู้สึกตัวความทุกข์มันก็ลดลงไปแล้วตรงนี้เห็นไมมันทุกข์เพราะความคิดใช่หรือเปล่าถ้าไม่คิดในจิตมันไม่เป็นทุกข์หรอกพอมีสติแล้วเนี่ยมันมีผลนะมีผลทำให้จิตใจมันเป็นสมาธิจดจ่ออยู่การใช้ชีวิตเรานังการทํางานเนี่ยถ้าจะทํางานให้มีความสุขต้องทํางานด้วยสติอยู่กับแดนงานของเราและมันจะเกิดพลังของสมาธิทาให้จิตมันสงบ ตั้งมั่นเยือกเย็นมันจะเป็นความสุขสงบเย็นแล้วความเบิกบานความสดใสเกิดขึ้นตรงนี้ตรงจิตที่มันไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็นอนหลับสบายเลยแต่ก่อนไม่เคยนอนหลับนะนอนก็คิดมากกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดไม่เคยสงบแล้วก็นอนไม่หลับแต่พอมาฝึกสตินอนพลิกมือเล่นรู้สึกตัว ใช้ชีวิตแบบมีสติอยู่แต่ละวันเนี่ยก็คือเนี่ยหลับสบายกินก็อร่อยนอนก็หลับชีวิตนี้เลยไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้ว่าติธรรมนี่ผู้ฟังนี่กินอิ่มนอนหลับบ้างไ้มถึงเวลากินก็ไม่ได้กินใช่ไหมถึงเวลานอนก็ไม่ได้นอนบางคนบอกถึงเวลากินก็ไม่ได้นอนถึงเวลานอนก็ไม่ได้กินแต่ผมนี่นอนกินเพราะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยกินก็ไม่อิ่มต้องรีบๆ ร, บรบนๆ นอนก็ไม่มีความสุขต้องคิดมากมันจะขาดทุนนะพลังสติทําให้เกิดพลังสมาธิทําให้จิตสงบมีความสดสใสเบิกบานสุขภาพจิตก็ดีไอโรคประสาทเลยไม่ต้องพูดถึงไม่มีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายมันก็ดีไปด้วยเพราะเกิดพลังสมาธิมันก็มีพลังของปัญญาปัญญาคือความรู้จักตัวเรารู้จักตัวเราตามความเป็นจริง นำเอาธรรมะมาแก้ปัญหาชีวิตได้ก็คือการใช้ปัญญาในการทําหน้าทีนี้สนะิ่งเหล่านี้แหะคือพลังชีวิตที่เกิดจากพลังทำทำให้จิตใจมันอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราเองนี่มีภาระเฉพาะร่างกายร่างกายต้องอาศาายัยผูอื่นดูแลนะแต่จิตใจเนี่ยเรามีสติปัญญาเป็นผู้ดูแลใจเราไม่ให้เป็นทุกข์มันเห็นว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์กายมันพิการ แต่ใจมันไม่ได้พิการหรอกใจมีธรรมะมีสติปัญญาคอยนําชีวิตอยู่ใจเลยไม่เป็นทุกข์เลยคนเราเนี่ถ้ามีสติปัญญานําชีวิตนี่ไม่เป็นทุกข์นะทํางานก็ทํางานได้ดีเพระจบผล ส, สาเร็จถ้าขาดสติปัญญาเมื่อไหร่แล้วก็กิเลสมันก็จะนำํำก็พาเราไป็นทุกข์ตองนี้นกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเพราะฉะนั้นก็เลยพอใจในชีวิตที่เป็นแบบเนี้ยพอใจแนละ้ว ใครมาขอแรกก็ไม่เอานะพอใจมีความพอใจแล้วก็สบายใจคิดว่าอันนี้แหละพอละชีวิตอย่างนี้พอละถ้าเราพอใจในที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมีความสุขไม่ยากัดฟันพอใจนะมันพอจริงๆไม่สแสวงหาไม่เที่ยวรักษาที่ไหนแล้วคุณหมอก็ช่วยเราไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้แต่ธรรมะเนี่ยช่วยเราได้ธรรมะช่วยใจไม่ให้เป็นทุกข์ได้แม้อยู่สภาพที่ร่างกายพิการ มันเกิดไปว่าสติเนี่ยหรือจิตเนี่ยมันทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลดูแลร่างกายเนพิการเป็นหมอเป็นพยาบาลให้กับตัวเองสมมุตินะร่างกายเหมือนคนพิการจิตใจเหมือนผู้ดูแลถึงเวลากินก็ให้มันกินถึงเวลานอนก็ให้มันนอนมันเดือดมันร้อนมันหนาวก็ช่วยเหลือร่างกายเนไหมจิตใจเป็นผู้ช่วยเหลือสติปัญญาเปรตเสมือนเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยคำแนะนําชีวิเรามันเป็นอย่างนั้นกายเหมือนคนพิการจิตใจเหมือนผู้ดูแลคนพิการสติปัญญาเหมือนเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในนี้มีพร้อมไหมมันกลายเป็นองค์ประกอบแบบนั้นไปเลยผมเองเนี่ไม่ค่อยมีใครสอนนะไม่มีโอกาสมาอยู่แบบนี้อยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่ท่านก็ไม่ได้สอนอะไรใช้วิธีการสอนตัวเราเองให้สติมันสอนจิตสอนใจเรา ให้รู้ว่าถ้าหากว่าเราอยากประสบผลสำเร็จในชีวิตอยากจะมีชีวิตที่ประสบผลสำเร็จแล้วก็ต้องทำอะไรอย่างจริงจังคนพิการถ้าอยากจะมีผลสำเร็จในชีวิตต้องมีความจริงจังในการทำหน้าที่ต้องมีความขยันมีความอดทนมีความไม่ท้อแท้ใจ <c oughs> อุปสรรคสาคัญก็คืออะไรคือความท้อแท้ใจ ยาว่าแต่คนพิการเลยคนปกติเนี่ยความท้อแท้ใจเนี่ยเป็นอุปสรรคที่สําคัญมากเพราะนั้นถ้าเอาชนะตรงนี้ได้แล้วก็เราก็จะเอาชนะตัวเองได้ความท้อแท้ใจมาจากความคิดใช่ไหมมันมักจะคิดไปทางที่เราให้เราเบื่อนาให้เราเซ็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะรู้ทันความคิดได้นั้นก็คือต้องเป็นสติสติทําหน้าที่รู้ทันความคิดและก็สอนมันจะท้อแท้ไปทําไม ท้อแท้ไปจิตใจเราก็ไม่ดีขึ้นการพัฒนาชีวิตนี่มันท้อแท้ไม่ได้บางทีต้องสอนนะสอนจิตสอนใจตัวเองใครคือผู้สอนสติเป็นผู้ที่สอนไม่ให้เกิดความท้อแท้ใจให้มีความมั่นใจที่บอกเมื่อกี้ต้องมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นตัวตเองว่าเราทําได้เราทําได้แล้วก็เกิดการท้าทายและต้องพิสูจน์ด้วยซึ่งตรงนี้ทําให้เกิดความสําเร็จความท้อแท้ใจมันก็จะหายไป เอาชนะตัวเองให้ได้เอาชนะความคิดได้ได้ถ้าเอาชนะความคิดไม่ได้เราก็เราก็ต้องเป็นทุกข์ไปตลอดชีวิตไม่ได้ห้ามมันคิดนะไม่ได้ห้ามแต่ว่ามันคิดขึ้นมาเรามีสติรู้แล้วก็ปล่อยวางไปคนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะความคิดนะมีปัญหาเพราะความคิดเพราะเราไปเชื่อความคิดมากเกินไปความคิดพาไปกินเหล้าก่อปและเวลาเงินหมดเนี่ความคิดไม่ได้ช่วยเหลือเราเลยนะร่างกายเจ็บไข้เด็บป่วยมันก็ไม่ได้ช่วยเราเลย ความคิดพาไปโดดน้ำตายก็ไปเชื่อความคิดคนที่เชื่อความคิดเนี่ยชิดไม่เคยก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะว่าความคิดเนี่ยมันคือตัวกิเลส ท, ที่มันปรุงแต่งมันต้องเชื่อสติเชื่อปัญญามันจึงจะเอาตัวรอดได้ถ้าเชื่อความคิดแล้วก็เสร็จเลยแต่พอมาสติมีส ต, มสติมีปัญญาแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งเป็นความคิดที่เกิดจากสติ คิดแล้วแก้ปัญหาชีวิตได้คิดแล้วไม่เบียดเบียนใครเด็ดร้อนตัวเองก็ไม่เด็ดร้อนคนอื่นก็ไม่เด็ดร้อนอันนี้คือความคิดที่เกิดจากสติวันหนึ่งเราใช้ความคิดแบบไหนแบบสติหรือแบบที่มันคิดปรุงแต่งขึ้นมานั่งวิเฉย์เนี่ยนั่งฟังเนี่ยใจก็คิดปรุงแต่งนะโอ้น่าเบื่อจังเลยในสิบเอ็ดโมงแนละ้วหิวข้าวแนละ้วอันนี้เป็นความคิดปรุงแต่งนะถ้าเชื่อมันนะเดี๋ยวก็ต้องลุกออกไปแนละ้ว แต่ถ้าสติคิดเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เวลาโทนอีกหน่อยก่อนเดี๋ยวเขาก็เลิกแล้วอยู่วุ้มเวียนน้าแล้วอันนี้คือคิดด้วยสติคิดแล้วเนี่ยไม่เบียดเบียนใครเด็ดร้อนแล้ววันหนึ่งเราใช้ความคิดแบบไหนนั่งซักผ้าเพลินๆกวาดบ้านเพลินๆเอาละเด็ดยั่วละโอ้นี่ได้เวลาแล้วทีวีมาแล้วนี่เราขอเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยหรือคิดแบบตั้งจะคิดแบบโอ้ไม่ต้องดูก็ได้ดูมามากแล้วเราใช้ความคิดแบบไหนแบบแรกใช่ไหม มันเสนออะไรมาก็เชื่อตะพื้นตฟือนเนี่ยนะเอาบอกคิดสองอย่างอย่างไหนมากอะ่ะตะลคอที่ชอบบอกว่าคิดอย่างแรกอาจต้องดูต้องดูพอเราคอไม่ชอบเออไม่ต้องดูก็ได้ดูมันนะั <g iggle> ระวังกันดีนะอย่าบังเชื่อพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยมีสติรู้ก่อนมีสติรู้ซะ ก, ก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อให้สติมันกั้นกอ น, กอนแล้วก่อนว่าเชื่อได้ไหมไอ้หมอนเนี่ยมาถึงจิตใจเราไนดะ้ไหมสติมันสอนจิตสอนใจเรา ถ้ามีสติปัญญานําชีวิตแล้วก็ชีวิตจะไม่มีปัญหานะจะปลอดภัยพยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้ทั้งคนปกติและคนพิการฝึกเอาชนะใจตัวเองให้ได้ถ้าใครเอาชนะใจตัวเองได้เนี่ยจะได้รางวัลคือความไม่มีทุกนะมันจะหมดปัญหาถ้าไม่มีทุกเนี่มันจะมีความสุขเข้ามาแทนที่เห็นไหมพอมีน้ำใสน้ําขุ่นมันก็หายไปพอมีความสว่างความมืดก็หายไปความสุขไม่ต้องหาแร้ว เอาความทุกข์ในจิตใจออกซะเดี๋ยวใจมันก็เป็นสุขเองอันนี้เรามันเป็นเคล็ดลับของการใช้ชีวิตยิ่งเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยยิ่งเจอความสุขได้ง่ายเพราะนั้นคนที่มีหน้าที่ในการดูแลคนไข้ดูแลผู้สูงอายุต้องมีจิตใจที่มั่นคงต้องมีความเข้มแข็งอย่าอ่อนแอบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างนะ คนพิการหรือผู้สูงอยู่เนี่ยท่านจะมีความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเป็นทุกข์หรือพูดจาออกมาทําแสดงท่าทางอารมณ์ไม่ดีออกมาเนี่ยผู้ ด, ดูแลต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจว่าอันนั้นคือปัญหาของเขาเป็นทุกข์ของเขาเป็นกรรมของเขาซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราอย่าไปติดโรคทุกข์จากเขามาเขากําลังได้ทุกข์เําลังมีปัญหา ต้องกระจายตัว น, นี้เราไม่ต้องเป็นทุกใบแบบเขาแต่เราสามารถช่วยเขาได้โดยการให้กำลังใจไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันเป็นแค่เนี้ยเดี๋ยวมันก็หายนะปะลอให้กำลังใจพูดดีดีด้วยความเมตตาให้คำแนะนำให้ความรักให้เขามีความสุขตรงนี้เราจะช่วยเขาได้แล้วก็ต้องมีสติควบคุมรักษาใจเราดูแลเขาอย่าลืมดูแลใจเรา รักษาใจเราให้ดีไม่ต้องไปทุกไปกับเขานั่นปเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องเราคือช่วยเหลือเขามันเป็นบุญนะการช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นบุญเพราะนั้นการทำงานในตำแหน่งของอสอมเนี่ยคือการทำบุญการทำงานคือการทำบุญถ้าทำบุญต้องรู้จักทำใจใเป็นบุญด้วยทำด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจด้วยความเมตตาใจก็เป็นบุญงานก็ได้ใจก็ดีใช่เพราะนั้น จะว่าไปแล้วเนี่ยผู้พิการก็ดีผู้สูงอายุก็ดีผู้ดูแลก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดีเนี่ยทั้งสามฝ่ายเนี่ยที่เรามาพบกันเนี่ยถือว่าเราเป็นกรรมร่วมกันไหมเราเป็นกรรมร่วมกันหรือเปล่าอย่ามองว่ากรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะกรรมเป็นกลางกลางนะกรรมคือการกระทําถ้าทำดีก็เป็นกรรมดีทำไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีเชื่อเรื่องกรรมไหม ถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยแม้ว่าเราต้องมาพบกันด้วยแรงกรรมเราก็อย่าไปทอแท้ใจเย่ยไม่หมดกาลังใจเราสามารถปรุงแต่งกรรมที่เราเจอด้วยกันมาเนี่ยให้เป็นกรรมดีได้ปรุงแต่งกรรมต่างๆให้เป็นกรรมดีได้อย่างผมเนี่ยดูแล้วความพิการเนี่ยคือเป็นกรรมแต่เราสามารถปรุงแต่งกรรมที่เกิดจากความพิการเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ดีได้โดยการเอามาปฏิบัติธรรมซะผู้พิ ก, การก็ควรจะปฏิบัติธรรม อสมอก็ต้องปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติธรรมถ้าต่างฝ่ายต่างปฏิบัติธรรมมีสติคือการจริสติกับการทําหน้าที่เนี่ยเราจะพูดภาษาเดียวกันมันจะมาพบกันที่ธรรมะพูดภาษาเดียวกันจะเข้าใจเหมือนกันจะเข้าใจตัวเราและเข้าใจตัวเขาถ้าเราอยากเข้าใจคนอื่นต้องเข้าใจตัวเราก่อนอยากจะรู้ใจคนอื่นต้องรู้ใจเราก่อนอยากจะแก้ไขคนอื่นต้องแก้ไขใจเราก่อน มันจึงจะเข้าใจเห็นไ่มเราจะรู้จักหน้าที่ถ้าปฏิบัติธรรมเราจะรู้จักหน้าที่หน้าที่ของคนพิการหน้าที่ของผู้สูงอายุคืออะไรก็คือต้องพยายามช่วยตัวเองให้มากๆหน้าที่ของผู้สูงอายุผู้พิการคือต้องช่วยตัวเองมากๆต้องเชื่อฟังคําแนะนําต้องมีความอดทนต้องมีความขยันอดทนและขยันสิ่งนี้แหละคือหน้าที่ของคนพิการคนผู้สูงอายุต้อง อ, งอย่างนั้น และผู้ดูแลลนะผู้ ด, ดูแลในเป็นเสมือนจิตใจนะผู้ ด, ดูแลต้องทาหน้าที่ด้วยความเมตตาด้วยความเมตตาการให้กำลังใจการให้ความสุขกับเขาเพราะว่าคนพิการนี่เขาจะมีปัญหาเฉพาะร่างกายหรอกแต่จิตใจนี่สามารถที่จะมีความสุขได้ถ้าเราช่วยเขามีความสุขในการให้กำลังใจส่วนเจ้าหน้าที่ก็ทาหน้าที่อะไรให้คำแนะนาให้ความรู้ แจกของอำนวยความสะดวกให้เห็นไหมแต่ละฝ่ายจะรู้จักหน้าที่เลยอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันนะผู้เองเนี่เคยมีประสบการณ์นะสมัยหนึ่งผมนี่เป็นคนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมตอนแรกๆเนี่ยไม่อยากทาอะไรเลยมันท้อแท้หมดกำลังใจเหมือนกันนะนอนเฉยๆแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมานอนจิรู้สติอย่างนี้เนี่ยโอ้หน้าตายิ้ ม, ย, มยันแจ่มแจเบิกบานออท่านก็มีความสุขเราช่วยใจเราได้ คุณแม่ต่างก็มีความสุขพลอยสดชื่นแจ่มใสไปกันด้วยตอนนี้ท่านถ้าตายก็นอนตายตาหลับเราช่วยกายเราผ่อนภาระให้กับผู้ดูแลเราช่วยใจเราแล้วก็ผ่อนภาล่ายกับคนอื่นด้วยเหมือนกันช่วยตัวเราเท่ากับช่วยคนอื่นด้วยเหมือนกันพวกเอ็งนี่ไอ้ที่ไม่รู้สึกในการขับถ่ายเนี่ยนะแต่ก่อนต้องใช้สายยางมีถุงปัสสาวะเวลาถ่ายก็ไม่รู้สึกเลย แต่ต่อมาพอฝึกสติฝึกรู้สึกตัวอย่างนี้แหละสตินี่มันช่วยทาหน้าที่เวลาเกิดอาการปวดปัสสาวะอุจจาระนี่มันบอกเลยร่างกายมันบอกเลยโอ้มีอาการแบบนี้นะเราต้องแก้ไขตัวเองผมยังมีคอมพอร์ประจำตัวไว้เวลาปวดปัสสาวะสวมทันทีเลยสติสามารถช่วยตัวเราได้ซึ่งแต่ก่อ น, นต้องใช้สายยางยุ่งยากผู้ดูแลจะต้องมาถอดสายยางต้องมาทาความสะอาด ยุ่งยากต้องไปเบิกจากโรงพยาบาลเสียเงินเสียท่อเมื่อก่อนเขาให้ฟรีหรอกต้องเสียเงินซื้อแต่ต่อมาเนี่ยพอเราฝึกสติเนี่ยเราสามารถรู้ได้ ว, ว่าร่างกายมันผิดปกติอย่างไรบ้างเวลามดกัดยุงกัดตะขาบต่อยแมงป่องต่อยมันรู้สึกร่างกายมันบอกเนี่ยตัว น, นี้เอาเข็มทิ่มก็ไม่รู้สึกนะแต่ ร, รู้ได้เพราะว่ามันมีสติคอยสอดส่องว่ามีอาการแบบเนี้ยผิดปกติแล้วเราช่วยตัวเราได้เพราะมันมีสติเป็นเครื่องมือช่วยบอกเหตุการณ์ต่าง เห็นไหมเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นผลอย่างนี้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่ผมตะเวนรักษาไปที่ต่างๆเนี่ยตะเวนรักษาไปไปที่บ้านบ้านหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยแหละบ้านหมอที่เป่าพู ด, พ, ดพูดเนีแหละโอ้ว่า น, นั้นจนมากเลยเป็นความเมตตาของคุณแม่นะเวลาหมอไหนดีก็พาไปรักษาเนี่ยในแถวภาคกลางเนี่ยอ่างทองลบบุรีชยัยนาทสิงห์บุรีอยุธยาสระบุรีไฟหมดแล้ว นวลไปตกลงที่อุทัยธานีไปเจอหมอตต้นี่แล้โอ้บ้านอยู่กลางป่าบ้านเนี่ยเตี้ยมีลังคาต่ําๆหลังคาก็เป็นลังคางสังกะสีซะด้วยแล้วหน้าร้อนน่ยโอ้ร้อนเกินหลังคาก็ต่ําคุณแม่เมตตาเอาผ้าห่มไปขึงเป็นฝ้าให้มันก็ยังไม่คลายความร้อนหมอบอกว่าวิธีการแก้ไขความร้อนนั้นทำยังงี้อาจารย์เอาไพรโคลไพลใส่ถุงก็แล้วก็ใช้เหล้า28่ดีกรีประครบทั้งวันประครบตัว เลือยง a l ลามเลยตั้งแต่ศีษะยันปลายเท้ามันร้อนมากอากาศกลางวันเนี่ยทุกครั้งที่ร้อนเขาจะเอาเหล้ากับไพรประคบตัวเลื้ยงแล้วเมื่อก่อนช่วยตัวเองไม่ได้หรอกคุณแม่ต้องประคบเพราะมันแห้งประคบมันแห้งประคบคุณแม่ก็เหนื่อยไอ้เรามันก็ร้อนใช้มันทรมานเนี่ยไม่ค่อยพอใจนะทําท่าอุดหกิดไม่พอใจคุณแม่เราไม่รู้ว่าเขาเหนื่อยหรอกแล้วสงสารท่านคือท่านเมาเหล้ากับไพรประคบกันไม่หยุดเนี่ยท่านก็เมาเมาก่อนเราอีก ไอ้เราก็มึนคนเมาก็เหนื่อยคนมึนก็เครียดอ้าวโอว้ไปพูดจาอะไรไม่เคยดีท่านน้อยอกน้อยใจไอเราเองก็เศร้าหมองมากเลยไม่พูดกันหนึ่งวันเต็มๆแล้วภาวะที่พูดดูแลกับผููถูโตแลไม่พูดกันเนี่ยมันมีความสุขไหมโอ้เครียดมากเลยจะพูดกันคาแรกนี่ไม่กล้าแล้วเก้อเขินแล้ะจักไม่กล้าบางทีก็ต่างฝ่ายต่างก็ให้อภัยนะแต่ไม่กล้าไม่มีใครเริ่มก่อน เราเป็นลู ก, กอ่ะเราก็มึนไม่ค่อยกล้าพูดก่อนมันเกอ้เกอเขยแล้วบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่นันต้นมาเนี่ยเราจะไม่โกรธผู้ดูแลอีกแล้วเขาจะทําอะไรก็ทนไว้รอได้คอยได้ไม่เป็นไรแล้วใจเราก็สบายแล้วผู้ดูแลก็สบายใจบางทีก็แกล้งยิ้มบ้างยิ้มโอคนพิการยิ้มทักทายผู้ดูแลเขาก็สบายใจในการที่ช่วยเราถ้าว่าเขาเข้ามาเนี่ยเจอเราโอ้เขี้ยวงอก น่านิว่วหัคิ้วปุบโบบอกบุญไม่รับเนี่ยโอ้คนผู้ดูแลก็เศร้าใจเช่เดียวกันผู้ดูแลเนี่ยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเบิกบานคุยกับเขาให้เหมือนกับคนปกติดูแลคนแก่ก็โอ้แกแล้วนี่ยายมันก็งี้แหละโอ้ตายเลยเศร้ามองอย่าพูดว่าแก่พูดว่าผู้สูงอายุพูดแก่นี่มันท้อแท้ใจแก่แล้วไม่มีอะไรดีอย่าไปพูดอย่างนั้นให้เขาพูดมาเถอะเราก็เฉยๆแล้วก็ต้องสดชื่นเบิกบาน ผมเอง ท, ที่มีสุขภาพ ด, ดีก็เพราะว่าผู้ดูแลนี่สุขภาพดิดีนะยิ am, ้มแย้มแจ่มใสพูดจาแบบกดดันชีวิตแล้วทําด้วยความจริงใจด้วยไม่ใช่ช่วยเหลือเขาแล้วเมื่อไหร่มันจะตาดยดมันสื่อกันได้นะสิ่งที่ไม่จริงใจเนี่ยมันสื่อกันได้เพราะฉะนั้นทําด้วยความสดชื่นเบิกบานใจเราแคได้เบิกบานถ้าใจเราดีเนี่ยมองอะไรก็ดีไปหมดใช่ไหมกระทบอารมณ์อะไรก็ดีไปหมดเลยหลังจากไปต้นป่าเนี่ผมไม่กล้าที่จะโกรธผู้ดูแล มันทําให้ความรู้สึกนี้มันไม่ค่อยดีมันเก้อเขินเพราะฉะนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างปฏิบัติธรรมนะทั้งคนไข้ทั้งผู้ดูแลทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้จักหน้าที่ของเรามันจะพบกันที่ธรรมะพบกนที่ธรรมะบางทีเราไม่ค่อยชอบการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ต้องไปที่วัดนะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ทํางานก็ปฏิบัติธรรมได้คือการให้มีสติอยู่กับงานของเรา ถ้าไม่สอยองงานเนี่ยจิตใจไม่เลื่อนลอยเนี่ยงานก็ไม่ผิดพลาดและมันจะมีความสุขถ้าเราทํางานไปเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีนึงจะได้คําชมเชยไหมจะได้กี่ขั้นอะไรนี่มันเครียดทํางานเพื่อที่จะทํางานอย่าทาเพื่อให้ได้หวังผลอะไรใจมันจะเป็นทุกข์ทำได้ทุกที่เลยอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีสติได้อยู่บ้านก็มีสติได้สติที่เราทํามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาวนากุศลนะเป็นบุญขั้นสูงสุดเลย เราให้ทานเรารักษาศีลก็สู้การมีสติไม่ได้เนี่ยเป็นบุญสูงสุดเลยอย่างงานในโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหเป็นงานบุญทั้งนั้นเลยนะโรงพยาบาลนี่เป็นโรงบุญเป็นแหล่งทำบุญเลยต่างชามาเมื่อกี้เข้ามานี่โอโ้บุญเข้าคิวเป็นแถวบุญนั่งรอให้เราได้ทำทั้งนั้นเลยถ้งเราเข้าไปในห้องผู้ป่วยเนี่ยโอโ้บุญนอนเกลื่อนกาดเป็นที่ทาบุญทั้งนั้นการช่วยเหลือ การให้ความเมตตาด้วยความจริงใจเนี่ยใช้มันจะเป็นบุญเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ทําบุญอยู่ที่ทํางานนั่นแหละทําด้วยความจริงใจด้วยความเมตตาเนี่ยจิตมันก็ดีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ชอบเนี่ยถ้าสิ่งนั้นดีนี่มันควรจะเปลี่ยนจิตใจนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยก็ควรจะต้องทําอย่างเช่นอาหารเนี่ยไหมพวกเราไม่เลือกอาหารใช่ไหมอาหารนี้ไม่ชอบเลยก็กล้องนี้ไม่ดี มันเบื่อมันไม่ชอบแต่ถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยก็ควรจะทานใช่ไหมยาก็เหมือนกันใช่ไหมยาที่เราไม่ไม่มีเคยชอบทานยาแล้วยามันขมมันคืนแต่ถ้ามารักษาโรคได้เป็นประโยชน์แล้วก็ควรจะทานการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดเล ย, ยในชีวิตเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะมาสามารถดับทุกข์กับจิตใจได้ปฏิบัติธรรมแล้วดับทุกข์ได้การ ให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยมันดับทุกได้มันทําให้ยกระดับจิตใจเราแม้ไม่ชอบก็ควรจะทํานะทุกคนเนี่ยมีหนออ่อแห่งพุทธะอยู่ในจิตใจอย่างนั้นเลยถ้าคนไม่มีหน่อพุทธะเนี่ยฝึกไม่ได้นะทําไม่ได้นะหงุดหงิดอุดัดกัดเครื่องทําไปเตะจะไม่มีภาพนิมิตรับรองจะไม่เป็นโรคจิตจะไม่เป็นโรคประสาทจิตใจจะพัฒนาเพราะรู้จักตัวเราเองจิตอยู่กับเนื้อกับตัว หมายถึงเราจะมีชีวิตอยู่ผมเองเนี่นอนพลิกมืออย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ยมือขวามากมือซ้ายบ้างมันเกิดอนิสงหลายหลายอย่างความเบื่อความเจงความเหงามันหายไปหมดเลยไม่รู้หน้าตาความเหงาเป็นยังไงนึกหน้ามันไม่ได้เบือ่อกลุ้มเซิงเหงามันหายไปเลยจิตใจมันสดชื่นสงบเบิกบานเป็นสมาธิมันก็มีความสุขกับการนอนพลิกมือเนี้ย แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนจากการพลิกมือเนี่ยไปทําหน้าที่เราทํางานอย่างเช่นเรากวาดพื้นเรารู้สึกตัวปฏการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยอันนี้มันก็มีความสุขไปกับการทํางานการล้างชามอย่างมีสติอยู่กับการทํางานเนี่ยจิตมันก็เป็นสุขจิตมันก็สงบได้การอาบน้ําการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบไม่ต้องอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ ทำให้ตัวเองเราเองเลยทําได้ทั้งวันเลยเห็นไหมนังก่อนนอนเนี่ยลองนองพลิกมือเล่นรู้สึกตัวและจะหลับอย่างมีความสุขตื่นมาก็สดชื่นเวลานั่งห้องประชุมเบื่อคนโน้คนคนี้นินทาเรื่องโน้เรื่องนี้พูดมากอย่าไปว่าเขาอย่าไปห้ามเขาห้ามใจเราอย่าไปอยู่กับเขามารู้สึกตัวการถูนี้มือเบาๆเห็นไหมโรคก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียนะเราได้ปฏิบัติทำด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ตําหนิใครปล่อยเขาพูดไปเราก็รู้สึกตัวไป ได้ปฏิบัติธรรมด้วยท่านี่จะนั่งเบือ่อเมื่อไหร่มันจะเลิกตะี้เมื่อไหร่จะเลิกพูดตะกี้เรามารู้สึกตัวเนี่ยเราก็ได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราใช้ชีวิตของเราทุกวันเนี่ยกับการทําหน้าที่นะการทําหน้าที่แล้วก็ตามทําอย่างมีสติมีความรู้นู้ตัวเนี่ยความละล้อนในจิตใจเนี่ยมันจะหายไปความวุ่นวายใจก็จะหายไปใจมันก็จะไม่เป็นทุกข์นี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมในการทําหน้าที่บางคนทําท่าจะนิพพานแล้ว ความเบื่อเนี่ยเป็นเรื่องทางกายและเรื่องทางใจกายมันเบื่อได้ไหมไม่ได้แล้วกายไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นธาตุรับใช้แต่ใครเบื่อโอ้ที่จริงใจไม่เบื่อนะไอ้ความคิดเบื่อต่างหากกายทําหน้าที่เป็นธาตุรับใช้ใจแต่ใจเป็นธาตุรับใช้อะไรรับใจกิเลสที่มากับความคิดเพราะฉอให้เรารู้ทันอ๋อนี่มันคิดเบื่อนะเราจะไปต้องเชื่อไหม อันนี้ไม่เชื่อความคิดใช้ได้มันคิดเบือ่อเบื่อได้แต่เราไม่จะไม่ต้องเชื่อมันก็ได้มีสติรู้ทันอ๋อสอนมาเลยว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะรู้ทันจิตใจแล้วก็เอาชนะมาให้ได้โดยการที่ไม่ทำตามมันมีคนถามว่าถ้าเครียดมากๆจะทำอย่างไรมันก็มีนะสมัยก่อนนี้แต่สมัยนี้นี่ความเครียดหน้าตาเป็นไงนี่จําไม่ได้นึกมันไม่ออกมันไม่เครียดอย่างไรนะ สมัยก่อนนู้นที่พิการใหม่ๆไปไหนไม่ได้งุดงิดอึดอัดได้ความเครียดได้เป็นเพื่อนของเราเลยอาศัยความอดทนอดทนแล้วก็รู้จักยอมรับมันความอดทนเนี่ยเป็นคุณธรรมนะเมื่อจิตใจมันอดทนได้เนี่ยทาให้ความเครียดเนี่ยมันลดน้อยลงไปแล้วเพิ่มพลังจิตใจให้มันทนทานกับความเครียดได้แล้วก็รู้จักยอมรับมันไปแต่ก่อนพอเครียดปั๊บ ทำไมต้องออกเป็นเราเนาะมันเวรกรรมอะไรของเรานะมันคิดให้เราเป็นทุกข์นั้นเวลาเกิดความเครียดเกิดความทุกข์อย่าไปคิดเติมให้เราต้องเป็นทุกข์หนักข้นอีกพยายามคิดไปทางที่ดีๆไว้อ๋อมันเป็นธรรมดาเนาะเดี๋ยวมันก็หายไปอดทนนานๆเนี่ยมันเกิดความเคยชินนะจะเล่านิานทานตักเรื่องหนึ่งมีชายคนหนึ่งเคมีความทุกข์ไม่มีที่พึ่งนะไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยเจริญสติ ไม่มีที่พึ่งไปพึ่งหมอดูไปหาหมอดูไปถามหมอดูว่านี่ผมมีความทุกข์มากเมื่อไหร่ผมจะหายทุกข์สักทีหมอดูว่าไงไหมโอ้เน่คุณจะต้องทุกข์ไปอีกห้าปีนะโอ้ชายคนนั้นยิ้มเลยหลังจากนั้นผมจะมีความสุขใช่ไหมหมอบอกว่าเปล่าคุณจะเคยชินไปเองทุกข์มากมากถ้าเราจะอดทนเนี่ย ทุกมันจะลดลงไปแล้วจิตใจมันจะมีความเข้มแข็งแล้วก็รู้จักยอมรับมันซะโอ้มันเป็นธรรมดาการยอมรับทําให้จิตมันผ่อนคลายถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันจะเครียดนะโอ้ธรรมดาแล้วก็แก้ไขไปพยายามคิดไปตามที่เบญกุศลเอาไว้เช่นนั่งนานๆเนี่ยมันเบื่อมันเครียดตอนนี้นะมันเครียดเหลือเกินเมื่อไหร่จะเลิกพูดสักทีจิตใจเครียดไหมเครียดแล้วถ้าเราคิดว่าเออมาทําไมไม่ได้อะไรเลยมันก็เครียดหนักก็อีกใช่ไหม ซ้ำเติมตัวเองแต่เราจะอดทนยอมรับอ๋อธรรมดาเรามีเวลาอยู่แค่นี้อดทนนหน่นอยยอมรับนริงที่เรากระทาและมองให้เป็นประโยชน์ซะเราได้ฟังเราก็ได้ประโยชน์ได้กําลังใจได้มาร่วมกิจกรรมมองในท่าที่เป็นประโยชน์ซะใจเรามันก็จะผ่อนคลายความเครียบมันก็หายไปแต่ถ้าเราใจดีนั้นก็ให้มีสติฝึกจิตใจใมีสติมากๆเขาไว้เมื่อมีสติมา ก, มากๆเนี่ยความเครียดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ความเครียบเกิดจากความคิดใช่ไหม ความเครียดเกิดจากความคิดหรือเปล่าคนที่เป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวปวดศีรษะมุนศีรษะเกิดจากความคิดปรุงแต่งทำให้สมองมันทำงานหนักมันก็เครียดเลยแต่ถ้ามีสติสติเนี่ยสามารถรักษาจิตที่เป็นปกติมีสติแล้วความคิดจะไม่เกิดขึ้นนะสติสามารถคุมกำเนิดความคิดคุมกำเนิดความเครียดได้เห็น ไ, ไหมการมีสติ คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองอย่างตอนเนี้ถ้าท่านฟังอย่างมีสติท่านก็ไม่เครียดสบายสบายแต่ถ้าฟังแบบมุดหมิดเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วั้านความเครียดรักษาได้โดยการรู้จักอดทนแล้วก็ยอมรับแล้วก็มีสติรู้ทันจิตใจเราเสมอๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราแก้ความเครียดโดยการไปดูหนังฟังเพลงระวังให้ดีนะเครียดตรงนี้ไปดูหนังไปเครียดที่หนังอีกนะ มันมันเล่นได้มป็นอย่างใจเลยเนี่ยไอตัวนี้ไม่ชอบหน้าออกมาบ่อยเหลือเกินเข้าไปเล่นกับภาพยนตร์ก็ไม่ได้ดูภาพยนตร์นนะเข้าไปเล่นกับเขาบางที่ไปเป็นผู้กำกับไปจัดสรรมันก็เครียดหนักเข้าไปใหญ่ไปดื่มสุราไปเที่ยวไปเล่นการพา น, านันเราคลายเครียดจากตรงนี้การเบื่อนหน่ายนะแล้วก็ไปเล่นการพา น, านันไปดูหนังไปฟังเพลงมันไปเครียดอีกแบบนึ่งนะต้องเสียเงินเสียเวลาไหมไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหา แก้ที่ใจเราความเครียดเกิดขึ้นที่ใจเราเกิดทิ้งที่ความคิดวิธีการแก้ไขา ย, ยาไปห้ามให้มีสติมีสติอยู่กับใจิตใจเนี่ยมันก็เอาชนะได้หรือการจะแก้ไขแบบง่ายๆก็คืออย่างแช่เรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่มันเบือ่อมันเซ็งเปลี่ยนยาบทซะลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างดูท้องฟ้าดูนกโยนความรู้สึกกไปข้างนอกซะใจเราก็ผ่อนคลายอย่าอยู่กับที่เปลี่ยนยาบทเราเดินได้เนี่ยใช่ไหม พวเองนี่เวลาเครียดต้องนอนอยู่กับความเครียดนะแต่สายความอดทนอย่างเราเดินได้ดื่มน้ําสักแก้วหนึง่งน้ําก็คลายเครียดได้มีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องไปไหนเวลามันเกิดความเครียดเกิดความทุกข์นึกอะไรไม่ออกลองหายใจดูหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออ ก, ก ย, ยาวๆเห็นไหมหายใจเข้าลึกๆการไปสักนิดหนึ่งนะหายออ ก, ก ย, ยาวๆสองสามครั้ง ความเครียดความโกรธความเบือ่อมันก็จะผ่อนคลายแล้วก็จะหายไปออกซิเจนจะไปเลี้ยงสมองให้เป็นปกติวิธีการแก้ไขมีมากมายเคยทํำไหมเวลาเกิดความโกรธ อ, อย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งทําอะไรถ้าโกรธปับ๊บไปพูดไปทำเขาเนี่ยมันเสียงานเสียการหมดเลยนะแล้วแก้ไขลําบากด้วยบางทีไม่น่าพูดไปเลยไม่น่าทําไปเลยใช่ไหมเราเผลอทําตามอารมณ์ไปเวลาโกรธจะเพิ่งทําอะไร หายใจเข้าลึกๆผ่อนออกยาวๆสองสามครั้งในความโกรธ ก, ก็จะหายไปใจเราก็จะเป็นปกติอะค่อยแก้ปัญหาการหายใจเข้าเนี่ยต้องมีสติเลยนะมีสติรู้หายใจเข้าหายใจออกมันแก้ปัญหาความโกรธความเบื่อความเซ็งได้คือทำด้วยสติทำได้ไหมไปลองทำดูนะผมเองเคยทำมาแล้วนะบ่ียนอนเบื่อเซ็งนอนหายใจเข้าเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็น ไม่เป็นไม่เป็นโรคแบบนั้นหายใจเข้าหจออกเนี่ยสองสามครั้งเนี่ยจิตใจสบายเลยสดชื่นสุขภาพจิตดีด้วยหรือถูนิ้วมือมเมื่อกี้ถูนิ้วมือเบาๆรู้สึกที่การเคลื่อนไหวของนิ้วมือจิตใจมาจดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวเนี่ยคือการฝึกสติคือการฝึกภาวนาเนี่ยอารมณ์หรือความคิดมันก็หายไปเองเอาชนะโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรก็เลยแค่รู้สึกตัวเฉยๆนะง่ายหมง่ายแบบปอกกล้วยก้าปากอีก อย่างผมเนี่ให้เรียกเอานะระหว่างปอกกล้วยกาปากกับการถูในมือแล้วมีสติเนี่ยผมเรียกเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายกว่าแก้ปัญหาจิตใจได้นี่เราเป็นการปฏิบัติธรรม